ต้องใค ร, คร่ครวญพิจารณาทบทวนดูหลายๆลั้นเสียก่อนจึงค่อยประกอบกิจการเหล่านั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าทําความดีอาศัยปัญญาปัญญาที่เรียกว่ากุศลธรร ม, มานี้เป็นชื่อของปัญญาแต่เราไม่ได้แปลกันแปลกันแต่ว่ากุศลคือกุศลกุศลส่วนนี้เป็นคุณศรรัพ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 วิชาข้อที่สี่คือทิพจกักขุปวิชาข้อที่ห้าคือทิพสโตรวิชาข้อที่หคือเจโตปริยะยานวิชาข้อที่เจ็ดคือปุเพนิวาสานุสติยานและ ว, วิชาข้อที่แปดได้แก่อาตะวัคยะานทั้งแปดข้อนี้เป็นวิชาเกิดขึ้นจากสมาธิคนไม่มีสมาธิไม่มีเกิด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 เวทนาขันที่เราไปยึดถือเวทนาขันที่เราไปยึดถือเป็นคา์นอีกสั้นยูปาดานักขั้นโทสัญญาความเข้าไปยามได้หมายรู้ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นค า, า, า, า, าร์นหามคาร์นหาบตั้งข้ารูปาดานักขั้นโทยึดถือสังขารความคิดนึกว่าเป็นตัวเป็นตนวิญญาณูปาดานักขั้นโท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 ให้เกิดขึ้นในทางจิตดวงจิตไม่เป็นสมาธิเมื่อดวงจิตไม่มีสมาธิฟังเสียงดีๆใจก็จะไม่ค่อยจะอยู่ขี้หูมันก็ไม่หลุดแต่ฟังเขาด่าฟังเขาแช่งฟังเขาคุยใจมันเปลินก้อนขี้หูก้อนเบร์เร่เอเบรางัดเข้ามาติดอยู่ในหูของตัวส่วนเทศธธรรมคาสอนทั้งหลายไม่ค่อยสนใจฟัง